การเคลื่อ น, นการไหวเป็นการฝึกการหัดรีดวยเว่าการเคลื่อนไหวของกายทำไมเราจะเห็นร่องรอยเห็นรอยสภาวะธรรมต่างๆปรากฏ ในความรู้สึกตัวมีธรรมาชาติต่างๆมากมายตามที่เป็นกุศลตามที่เป็นอกุศลมันจะแสดงออกมาเป็นอาการเกิดจากความคิด แต่งเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมันก็จะเลือกได้ในความรู้สึกตัวมีสติในความรู้สึกตัวมีศีลในความรู้สึกตัวมีสมาธิในความรู้สึกตัวมีปัญญาปัญญากพาเลือกปัญญากพาทำ มันก็เกิดคุณธรรมต่างๆมากมายเป็นมงคลเราจึงมาฝึกมาหัดให้เห็นความจริงตรงๆเกิดความชัดเจนในการดำรงชีวิตต่อไป จนเกิดความมั่นอกมั่นใจเกิดความอาหารเกิดความกล้าหาญเกิดการชี้แล้วก็ น, นำชีวิตของตนไปสู่ความไม่เสื่อมไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นวิมุต พ้นแล้วพ้นแล้วทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวมันพ้นจากการคิดการปรุงกันแต่งมันพ้นอดเดตนาคตความทุกข์เก่าๆการกระทําเป็นกรรมเป็นวิบากรรมเก่าๆก็เกิดการแล้วก็แล้วไปมันแล้วใจ มันไม่กลายเป็นเรื่องของความหนักที่เกิดจากความไม่รู้ยึดจงเกิดการว ก, กวนซ้ำซ้ำซากๆกตอกยำ้ำติดยึดถ้ายึดก็ยึดเอาความดี การคิดการพูดการทำแต่ว่าทำดีแล้วก็แล้วไปมันก็วางเป็ น, เ ป, นเป็นเพียงแค่กริยาเป็นเพียงแค่อาการทำอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เป็นกรรมดีกรรมชั่ว ในความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนั้นแหละการเคลื่อนมือแต่ละจังหวะ mm hmm. การเดินจงกรมแต่ละขณะมันเหนือดีเหนือชั่วตรงนี้แหละที่ทำให้ทำหน้าที่ได้ตรงแล้วก็ถูกต้องขณะต่อขณะจนเกิดงานมากมาย ทำงานแล้วก็เป็นความงามเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เกิดคุณธรรมจริธรรมศีลธรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีเกิดเป็นผลงานที่ฝากล่องรอยไว้กับโลกมากมายมันก็เป็นเหตุปัจจัย ขณะต่อขณะเฉพาะหน้าของแต่ละคนของแต่ละบุคคลที่สามารถที่จะเอาคุณธรรมความดีต่างๆมาประดับฝากร่องรอยไว้กับโลกเหมือนกับองค์สมเด็จสมาว่าเจ้าได้ฝากรอยไว้ชัด รอยสีรอยทมการชี้นำพุทธศาสนามีพระพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆอีกมากมายแต่ก็ค่อยๆล่มหายตายสูญไปยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่เทียนอย่างนก็เป็นบุคคลที่ยังมีกลิ่นไออยู่ตามยุคตามสมัยโดยเพราะยุคนี้สมัยนี้ก็ เป็นที่กล่าวขานลำลือว่าท่านสอนแบบฉีกตำราไม่ได้ยึดไม่ได้ถือเอาพระไตรปิฎกแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่อเทียบเคียงมันก็มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกอีกหลายคนหลายท่าน ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้เห็นหลวงพ่อ เ, อเขียนท่านได้แสดงคำพูดแต่ละคำแต่ละประโยคมันก็เป็นสภาวธรรมที่มีอยู่จริงน้อมสอมาธิบัติมันก็เห็นจริงๆ สภาวะของผู้ดูอย่างเงี้ยวิปัสนาญาณที่มันปรากฏมันเป็นการปรากฏแตาว่าความรู้สึกตัวการเกอนการไนวปฏิบัติถูกต้องความคิดที่เราไม่เคยเห็นตัวลักคิดมันปรากฏมันแสดงตัวเราไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ พาเรามีความรู้สึกตัวมีสติจิตเกิดความเป็นปกติพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของจิตของใจมันเป็นพื้นที่ที่ปราศ จ, จากความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดกระถูกรู้ถูกเห็น คิดเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นคิดอีกก็รู้อีกไม่ห้ามความคิดมีแต่ปลุกแล้วความรู้สึกตัวไม่คิดแป๊บก็รู้ปุ๊บม่คิดปป๊บก็รู้ปุ๊บมันก็จึงเกิดพัฒนาการขึ้นมาเห็น<ไ> <He ard. S 2> ซ้ำๆจนรู้ชัด ไม่เหตุแห่งทุกข์ก็คือสมมติฐานของการคิดที่หลงก็ไปปรุงไปแต่งไม่รู้สึกตัวกายแต่ละขณ ะ, ะมีอยู่แต่ว่าความจำนานในพื้นที่หลักฐานกายยานุปัสนาสติปฐาน ความคมชัดความชัดเจนในความรู้สึกตัวที่ฐานกายยังไม่พอ1วันสองวันสาวันสี่วันหลายวันต่อมาเมื่อเราแยกกายสังเกตเราก็จะเห็นอ๋อล่างกายของเรามันไม่ใช่ร่างกายธรรมดาแต่เป็นรูปธรรมมันมีกาย มีกายในกายกายดุนก้นท่าสแล้วก็มีกายในกายเป็นความรู้สึกกายยบิญญาณมีเกง่งมีกายมีตึงมีหย่อนมีกระทบสัมผัสรู้สึกตั้งแต่ความรู้สึกที่เราผลิตขึ้นมาเองคือการเคลื่อนมือมือ14จังหวะการเจตนาตั้งใจหันซ้ายแลวกวากวับิบตา การเดินจงกรมมันเป็นความรู้สึกตัวจากหยาบไปหาละเอียดมีกายนอกมีกายในกายเนื้อกายหนังกับความรู้สึก ม, มาเริ่มเห็นแบบนั้นเห็นจนเป็นรูปธรรมเห็นจนเป็นรูปขันธ์ร่างกายมีการรองรับ เมื่อมีสติก็สั่งก็ใช้ได้แต่เวลาที่เพอสติปฏิยาการของกายเป็นตัวชีวิตก็กแสดงออกมามันทีก็เกิดความสมดุลมันทีเกิดความไม่สมดุลเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นอา ก, การของสภาวะทุกข์ถ้าเราไม่รู้หลงเข้าไปยึดมันก็เห็น มันก็ตอบได้ทุกกายก็อยู่ที่กายจิตใจก็ไม่องเอามาเป็นความทุกขเวลาคิดเวลาปรุงเวลาแต่งในาการของกายมันก็กลายเป็นความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน mm. กายป่วยใจก็ป่วยกายทุกใจก็ทุก mm. มันเบียดเบียน แต่พอเรารู้สึกตัวมีสติลงไปมันก็แยกกันตรงนี้แหละกลายป่วยใจปกติกายมีอาการแต่จิตใจ ม, ะะมันก็หยุดรู้มีกำลังของสติมีกำลังของสมาธิมีกำลังของปัญญา แยกหลยทันทีเกิดความคิดขึ้นมาอันนี้ภาษาธรรมมาเรียกว่านามรูปสติมันก็รู้อีกว่านามรูปมันมีเวทนาขันมันมีวิญญาณขันมันมีขันมันมีสังขารขันเปนการปรุงแต่ง พอรู้เท่ารู้ทันมันก็ออกมาทันทีก็แยกกันทันทีอีกสติผู้รู้มันก็ฉลาดมันรู้แล้วก็ผลทันทีรู้แล้วก็มายึดทันทีรู้แล้วก็คืนสู่ธรรมชาติทันทีร่างกายก็คือก้อนของธรรมชาติเป็นกายธรรมเป็นธรรมกาย จิตมันก็คือธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยของเขามีภพภูมิต่างๆเกิดขึ้นในจิตมากมายคิดดีเป็นสุขติภูมิคิดไม่ดีเป็นทุกขติภูมิอยู่เหนือความคิดเหล่านั้นก็เป็นพุทธภูมิเมื่อเกิดขึ้นมาทันที เป็นสภาวะของจิตที่เป็นปกติไม่สุขไม่ทุกข์กับความคิดรู้และตัดทันทีรู้และพ้นออกมาทันทีก็จึงไม่เป็นกรรมทุกครั้งที่หลงเผลอเข้าไปมันก็จะเกิดมโนกรรมพอคิดดีมันก็พูดดีพอคิดดีมันก็ทำดีก็เกิดพฤติกรรมขึ้นมา ก็กลายเป็นการแสดงออกกรอประโยชน์กรอโทษทันทีเราก็จึงได้รู้ได้เห็นขณะปฏิบัติพัฒนาการของสติของสมาธิของปัญญาที่เกิดความเป็นเองเกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพ มีหน้าที่ที่ไม่ต้องร้องขอทุกทันทีเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเป็นปัจจุบันกันเนะเมื่อมีสติมันก็ไม่ทุกทันทีไม่หลงเพล่เข้าไปในการเต่าต่างทันทีมันใช้ได้จริงๆความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นมโนสัญเจตนาอาหารเป็นภาษาอาหารร่อเลี้ยงให้สติได้เจริญเติบโตโต ว, วันโตคืนสติปัฏฐานที่เล็กๆน่ละทารกต่อแตะตอแตะหลังจากที่ลดน้ําพรวนดินเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเจตนามโนสัญเจตนาอาหารเจตนากําหนดเจตนากรรมกับ จกระทั่งมันพ้นความเป็นเจตนาเกิด <Yeah. S 2> ความเป็นอัตโนมัติรู้ทันควันรู้ทันทีทันใดแก้ทุกทันที <Yeah. S 2> ไม่รอ <Yeah. S 2> ไม่ต้องเสียเวลา <Yeah. S 2> มันก็ยืมเงินยื ม, ยมทองในขณะที่ทำงานไม่ได้เงินไม่ได้ทอง <Yeah. S 2> ทำงานฟรีฟร ต้องไปหยิบยืมเวลาจำเป็นจะต้องใช้ต้องหาสติปัฏฐานนี่ไม่ต้องยืมเมื่อทุกครั้งมีกายอยู่ก็เกิดสัมยะทันทีสติระลึกได้ถึงฐานถึงที่อยู่กายยานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มาฐานกายทันทีก็มีอยู่มีกินทันทีอิ่มทันที เห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตัวตนบุคคลเราเขาก็ยิ่งพัฒนาขึ้นไปเริ่มอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์อาการที่ปรากฏเป็นอาการของสุขของทุกข์แต่เราไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์เราเรียกว่าอาการเกิดอาการอะไรขึ้นมาในกายกเป็นเพียงแค่อาการจิตใจเกิดปฏิยาอะไรขึ้นมามโนกรรม คิดดีพูดดีคิดดีทำดีก็เป็นเพียงแค่อาการเป็นอาการของจิตว่าไหวหรือว่ากระเพิ่มรู้ทันทีหเห็นทรรมในธรรมเป็นธรรมชาติต่างๆเมื่อมากระทบสัมผัสรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ ภายนอกในความงงเหงาหานอนความสุขความสงบความเบื่อความขี้เกียจขี้คันความ ร, ารังเลสงสัยการพยาบาดต่างๆเป็นสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมในจิตในใจซึ่งละเอียดลงไปอีกดูกายก็เห็นจิตครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ชัดมันก็เห็นจริงๆ ในขณะที่ดูกายมันก็เป็นการฝึกจิตอยู่แล้วมันกเป็นการไปปฏิธรรมพัฒนาจิตมันไม่ใช่ว่าดูกายพัฒนาแก้กายพัฒนาจิตไปในตัว mm hmm. ดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นคิดดูคิดเห็นธรรมชาติต่างๆ mm hmm. คิดเป็นกุศลก็เป็นธรรมกุศล mm hmm. คิดเป็นอกุศลก็เป็นธรรมอกุศล กุศลธรรมกุศลธรรมสติจมาที่ปัญญาก็เด่นจากสติธาโลกพัฒนาเป็นหนมใหญ่มีพะละมีกำลังการเปิดธรรมก็จึงสร้างอินรีห้าพละห้ายิ่งใหญ่มากเราเคยมีพลังคือลูก มีพลังคือทรัพย์มีพลังคือญาติพี่น้องหมูคณะเพื่อนฝูงบริวารต่างๆเราเคยมีพลังคือรูปเปีก้าขาแข็งประเจิญโลกกว้างแต่ับันนี้เรามีพลังคือศีลคือความเป็นปกติเป็นพลังที่ มีอยู่ในตัวเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีศีลก็ต้องมีธรรมมีสติก็ต้องมีปัญญาเมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นมาสภาวะของการหลุดพ้นวีมุต ม, มันก็อยู่ตรงหน้าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว กับผลทุกทันทีคืนสูธ่ธรรมชาติทันทีเรื่องของกายก็เเรื่องของกายเรื่องของจิตก็เเรื่องของจิตเคืนทุกกายก็คืนให้กายทุกจิตก็คืนให้จิตไม่จําเป็นเราจะต้องมาทุบด้วยเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมไม่ได้ทางตรงก็ช่วยทางอ้อม มันก well. ็มีอยู่จริงๆก็เหมาะในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะเราก็เห็นอย่างเช่นชุมชนพัดป่าสุขโทตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เยอะเยอะมากว่าที่เป็นผลพวงผลผลิตจากการประโยชน์ทำเช่นตัวหลวงพ่อเขียนเองตอนนี้ก็ไปทางหนึ่งเผยแผ่เดี๋ยวพงานหลวงปู่เทียน ทำประโยชน์อาจารย์ไพศาลซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ไปอีกทา ง, ทางนึงทั้งๆท้เป็นเจ้าวาดอยู่สุขโตอาจารย์โนตถูกระบุให้เป็นตำแหน่งรองเจ้าวาดก็ไปอีกทางอาจารย์ตุ้มผู้ช่วยก็ไปอีกทางหลวงพ่กรมนั่งอยู่ข้างหลังนี่ ท่านกออ็แสดงทําให้ดูตอนนี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายอายุก็มากออก็ยังมาทําวัดเช้ า, าเคลื่อนไหวมือสิบสี่ชิ้นกว่าให้เราได้เห็นออถึงท่านไม่ได้พูดท่านก็แสดงอยู่อยู่กับกายไม่ต้องทุบ ก, ก, กับกายอยกกิจกรรมของชุมชนก็ไม่ต้องทุบเพราะกิจกรรมของชุมชน เราก็ได้เห็นยังมีอีกครูบาอาจารย์มากมายเหลือเกินเ้วกม็มันเป็นจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะและยิ่งเรามาได้สัมผัสปฏิบัติตรงลงไปตามความเชื่อนะมีศรัทธาการเกินการไหวนะมันบอกถึงกําลังใจของเราแต่ละขณะกําลังคือศรัทธา ก็มีจริงๆเชื่อว่าการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะนั้นมันออกจากความคิดเรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นจริงๆเกิดความกระยันขึ้นมาวิริยะมาเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็หยุดนิ่งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าลมหายใจมันจะหยุดลงเมื่ อ, อไหร่ด้วยเหตุการณ์อะไร ม, มีโลคาภัยมีอุปัติภัยมีตอนี้พิบัติภัย ม, มีวัฏภัยวุตถภัย มันมีมหันตภัยวินาศภัยมันมีภัยมากมายเหลือเกินมันจะจบชีวิตลงตรงไหนโดยเพราะอุบัติภัยมันก็ไม่แน่วันนี้กลับบางคนอาจจะโชคดีมีสติอยู่นั่งรถแล้วก็รถชนแล้วก็ตายไปถ้าโชคร้ายคือไม่มีสติพอไม่มีสติมันก็ไปแบบหลงพกหลงภูมิ ไปแบบไม่รู้ทิศทางมันมืดมันมนมันไม่มีสติมันไม่สว่างสวัยพอเราฝึกสติเราเห็นความสว่างสวัยแห่งใจในภายในของเราของใครของเรามันมีอยู่เป็นท่ารู้ท่าตื่นจากเล็กๆไปสว่างสวัยเต็มที่มันมีอยู่จะรู้ตื่นเบิกบานในแต่ละขณะแต่แต่ละขณะมันเป็นพลังแล้วก็มีความขยันไม่ประมาท จนกว่าจะหมดลมหายใจไปตราบใดถ้าความชัดเจนในมรรคในผลในสติในศีลในสมาธิในปัญญามันยังไม่มากพอที่จะทำให้เรานะอยู่เหนือวัฏฏะสงสารยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็ประมาทไม่ได้จนทางสติมันเตินขึ้นมามสีสมาธิมีปัญญาเป็นกำลังของ พละห้าอีซีห้าีซีห้าแล้วก็พละห้ามันเป็นลักษณะของธรรมะที่มีอยู่ในตัวเรานะความรู้สึกตัวมันก็จะบอกให้นะอะไรคือศรัทธาอะไรคือริยะอะไรคือสติอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญานะมันก็จึงเป็นเรื่องที่กระตือรือร้นนะ และเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเฉพาะหน้าเฉพาะหน้างานกรรมฐานจะเป็นงานหลักของชีวิตเราที่เหลืออยู่งานอื่นๆจะเป็นงานรองเป็นงานรองที่เราจะต้องอยู่ในหน้าที่นั้นๆเพื่อปัจจัยสี่ห้าหเจ็ดปดแต่ว่าเมื่อเราพออยู่พอกินพอที่จะพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านั้น เราก็หันกลับมาเรื่องของภายในเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องของจิตตภาวนาที่สามารถทำได้ทุกทนะุกขนาะเพราะว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมทารรู้สติกการเคลื่อนไหวในรูปแบบกิจวัตรประจำวันมันก็ใช่ จากในวัดก็สู่นอกวัดจากรูปแบบก็สู่นอกรูปแบบจากในเวลามันก็ไม่เลือกเวลาจากในกรรมฐานที่เป็นรูปแบบหนึ่งมันก็ขยายผลไปจนกระทั่งการเคลื่อนไหวในทุกๆขณะของกายของใจเรามันก็เป็นการปรากฏ ทุกๆสถานการณ์มีความชัดเจนแสดงตัวออกมาโดยกฎของธรรมชาติมันก็คุ้มค่ากับชีวิตของเรามันคุ้มค่ากับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้คนพบได้บอกต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรู้แล้วท่านก็บอกต่อแต่เฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ สื่อเทคโนโลยีนะก็ขยายผลไปมีอินเทอร์เน็ตอย่างรุ่นนี้หลายคนก็มาทางอินเทอร์เนะน็ตมีหนังสือของครูบาอาจารย์ดีๆนะเป็นหนังสือธรรมะตามรา้านหนังสือใหญ่ๆ ห, หรือว่าเล็กๆ น, น้อยๆก็ตามนะซึ่งยุคปัจจุบันหนังสือธรรมะก็ถือเป็นหนังสือนะที่ขายดีที่สุดคนก็หันมาสนใจกัน มีรูปแบบมีวิธีการให้ได้ชิมมากมายเหลือเกินวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัตินะก็ยัางาที่จะปรับให้เหมาะกับความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่มันไม่ได้เหมือนกับสมัยเก่าที่มีแค่หลังคามีแค่พายางเป็นหลังคาแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะนั่งเป็นแค่ มาสะดวกเราก็เลยได้อาศัยความสะดวกเหล่านี้แล้วเป็นสบายยะอาหารสบายอากาศสบายเดี๋ยวเพราะตอนนี้ขณะ น, นี้ที่วัดป่าสุกตองธรรมะคำพูดก็พู ด, พดธรรมดาสบายไม่ได้ใช้สับแสงบาลีจนฟังแล้วชวนง่วงนอนมันก็ไม่ใช่มีเพื่อนมีกาลยานมิตรที่เป็นชนชั้นระดับปัญญาชนเข้ามาอยู่ร่วมกัน ก็จึงไม่ได้ติดป้ายมากมายว่าห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนู่นเพียงแค่พูดคาสองคำล้วก็พากันทางทันทีเพราะนั้นยุคนี้แหละเหมาะที่จะเกิดการบรรลุธรรมพิธีการก็เป็นวิธีการที่ตรงตรงไม่ยากสมัยก่อนคนที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์ก็หาธรรมะจะเป็นคนที no, Frankly, oh, no, ่มีฤทธิ์มีเดชมีศรัทธาพอสมควร พระท่านอยู่เหมือนช้างเผือกช้างเผือกอยู่ในป่าลึกเก จ, จิสมัยเก่าเขาจะอยู่ตามถ้ำตามหน้าผายอดเขาสูงๆมีสัตว์ลายเสือสิงห์กระทิงแ่นมีช้างมีงูแต่ยุคนี้ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราสามารถเข้าถึงได้ตลอดเว ล, เวลา ความสึกตัวก็จึงไม่เกี่ยวกับศรัท ธ, ธาหรือไม่ศรัท ธ, ธาเกี่ยวว่าเราเคลื่อนไหวได้ไหมแล้วเรารู้สึกตัวทุกๆกขณะหรือเปล่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ไหมอยู่กวความคิดกลับมาหาสัมผัสที่กายได้หรือเปล่า <c oughs> ก็จึงฝากเอาไว้ว่าเราฝึกมาข้าวันที่เจ็สหรับเช้านีนะ้ก็ขอให้เราได้มี ปกติที่จะทำอะไรก็ตาม mm hmm. ก็รู้สึกตัวในทุกๆขณะใจมีสติอยู่กับกายใจมีสติอยู่กับเวทนาใจมีสติอยู่กับจิตแลใต้สุดก็คือใจมีสติมีปัญญารู้อยู่กับธรรมชาติโดยไม่กัดแย้งกับธรรมชาติ อยู่เหนือกฎของธรรมชาติมันเป็นที่สุดของปัญญามันเป็นที่สุดของการแสวงหาก็จงได้บังเกิดกับนักปฏิวัติธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ